จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ใฝทํา ท, ทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันอังคารที่สามกรกฎาคมพุทธศักราช2555เป็นวันพระเป็นวันประเสริฐเป็นวัน ประเสริฐเพราะมีการกระทาที่ประเสริฐไม่ใช่ประเสริฐเพราะใส่เสื้อผ้าอภร์สีนั้นสีนี้โกนสีสากหรือไม่โกนสีสากเช่นโกนสีสากแล้วผมเหลืองอย่างนี้ไม่ได้เป็น เป็นเหตุที่จะทําให้ประเสริฐความประเสริฐอยู่ที่ศีลธรรมอยู่ที่การกระทําตามหลักธรรมมเวไนของพระพุทธเจ้าถ้าบวชแล้วลุ่งเหลืองหองหลงโกนศีรษะนะแต่ไม่ปฏิบัติตามธรรมมเวัยก็ไม่ประเสริฐไม่เป็นพระ เป็นแต่สมมุติสมมุติตามรูปแบบที่เขาสมมุติกันไปแต่ความจริงก็ไม่ต่างกับปุดคารวะญาติโยงตามบนตอมที่ก้นศีรษะและผมผ้าเหลืองเท่านั้นการที่จะเป็นพระได้สมบุติแบบต้องเป็นพระที่ประกอบด้วยศีลธรรม คือปฏิบัติดีปฏิบัติชอบต่อธรรมวินัยของพระพุทธเจ้ามีฮิริโอตปะมีความละอายในการทำบาปและมีความกลัวผลของการกระทำบาปผู้ที่ประเสริฐจะเป็นผู้ที่มีฮิริโอตปะจึงไม่กล้าทำบาปอาย ต่อผู้อื่นต่อการกระทำบาปหรือการกระทาที่ไม่ตรงกับพระธรรมวินัยแต่สำหรับผู้ที่มีจิตใจที่หนาด้านก็เป็นพวกที่เป็นโจรมาปล้นาศาสนาด้วยการแอบมาโกนศีรษะผมเหลืองแต่ ไม่ปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัยเวลาขบเวลาฉันก็ไม่ได้ฉันตามธรรมวินัยคือมีกฎมีระเบียบของการฉันของพระคือเวลาฉันก็ให้มาฉันรวมกันที่ศาลาให้ฉันพร้อมกันแล้วก็ให้เลิกพร้อมกัน หลังจากที่ฉันเสร็จแล้วก็ช่วยกันทำกิจคือช่วยกันเก็บกวาดทูสาลาให้เรียบร้อยไม่ใช่มานั่งรอรับอาหารข่าวหวานของญาติโยงพอได้รับอาหารแล้วก็กลับกุฏิไปอย่างนี้เป็นนิสัยของโจรไม่ใช่เป็นนิสัยของพระพระต้องมีฮิิโอตปะ มีความยังง่งยายในการกระทำที่ไม่ชอบที่ไม่ตรงก่อพระธรรมบมงในผู้ที่มาบวชที่หลังถ้ายังไม่ทราบก็ควรที่จะศึกษาถ้าไม่เช่นนั้นเดี๋ยวเห็นตัวอย่างที่ไม่ดีก็จะทำตามกันเดี๋ยวจะไม่มีใครนั่งอยู่ในซาลาวฟังเทศฟังธรรมกัน พอได้รับอาหารแล้วก็ขอกลับกุฏิไปก่อนไปนอนหรือไปฉันก่อนไม่ต้องมาทนนั่งรอฟังเทศฟังธรรมที่ไปสะกิจหัวใจที่ไปทิ่มแทงจิตใจของโจรที่มาแอบแฝงเป็นพระด้วยการโกนศีษะเลือกเหลืองผมเหลืองดังนั้นถ้าอยากจะทำตนให้เป็นผู้ประเสริฐดัง ที่คำว่าพระมีความหมายไว้อย่างนั้นก็จาเป็นจะต้องประเสริฐที่กายวาจาใจคือประเสริฐด้วยการกระทากายวาจาก็มีศีลมีความสำลมมีความเรียบร้อยมีความเคร่งครัดต่อกฎระเบียบต่อข้อวัดปฏิบัติต่างๆส่วนภายในใจก็มีคุณธรรมเช่นฮริโอตปะปา มีความกลัวมีความละอายในการกระทำบาปหรือในการกระทำผิดหลักธรรมวีในถ้าอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นพระเป็นผู้ประเสริฐเพราะความประเสริฐนี้เกิดจากการกระทำตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนไว้เท่านั้นถ้าทาตามกิเลสตัณหา จะประสบได้อย่างไรคือเดชตัญหาก็มีแต่จะชุดล่าให้ไปกระทาบาปทากรรมไปกระทาสิ่งที่เป็นโทษเป็นอันตรายต่อชีวิตของตนผู้ที่ประสบนั้นการกระทาจะไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น ไม่สร้างความเสียหายให้แก่ส่วนรวมมีแต่จะสร้างความเจริญให้แก่ผู้อื่นและสร้างความเจริญให้แก่ส่วนรวมศาสนาจะเจริญหรือไม่เจริญอยู่ที่พระสงฆ์องค์เจ้าว่าจะปฏิบัติตามหลักธรรมวินัยได้หรือไม่พระสาลิบุตร ที่มีความปรารถนาอยากจะให้ระศาสนานี้เจริญอยู่กับโลกไปนานๆก็ทรงกราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าจะทำอย่างไรถึงจะทำให้ศาสานานี้อยู่ไปนานๆพระพุทธเจ้าทรงกรากตอบว่าพระสงฆ์ต้องลงประชุมฟังธรรมวินยัย คือทบทวนธรรมวินัยคือศีล227ข้อที่พระพุทธเจ้าได้ทรงกำหนดได้ทรงบัญญัติไว้เพื่อที่จะได้รู้ว่าจำเป็นจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรถ้ามีการลงฟังพระธรรมวินัยคือพระปฏิโมกทุกกึ่งเดือนก็จะทำให้พระสงฆ์นั้นไม่ลืม กฎหรือกติกาข้อวัดปฏิบัติสิ่งที่จะต้องรักษาถ้าไม่ลงฟังธรรมวินัยกันฟังพะปฏิโมกัน mm hmm. ก็จะไม่รู้ว่าตนเองจะต้องปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้องพอไม่รู้แล้วก็จะปฏิบัติไปตามอำนาจของกิเลสตัณหา ตามอำนาจของความหลมของตนคิดว่าทำอะไรที่ถูกใจตนก็จะคิดว่าเป็นการกระทำที่ถูกต้องนี่คือสาเหตุที่พระสงฆ์ต้องลงประชุมกันทุกส5้าวันอย่างเช่นวันนี้ก็เป็นวันพระใหญ่ก็จะต้องมีการลงไปที่โบ เพื่อที่จะได้ฟังพระสวดปาติโมคคือสวดศีล227ข้อเพื่อที่จะได้รู้ว่าจะต้องปฏิบัติอะไรหรือไม่ปฏิบัติอะไรถ้าไม่โหลดแล้วก็จะไม่รู้กันแล้วก็จะเกิดการปฏิบัติเสียหายตามมาดังที่เราชาวพุทธทั้งหลาย ได้ยินได้เห็นได้ฟังกันอยู่เรื่อยๆ เ, เพราะว่าผู้ที่ทําผิดกฎนั้นส่วนใหญ่ก็เป็นเพราะว่าไม่ได้ศึกษากันไม่ได้บวชมาเพื่อเรียนเพื่อมาศึกษามาปฏิบัติเพื่อมาขัดเกลอกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆให้หมดไปแต่กลับมาบวชเพื่อที่จะมาสะสม ติเลตันหาด้วยการด้วยด้วยความโลภมากในลาบปัจจัยทั้งหลายจิตใจนี้ไม่เคยคิดถึงถึงศีลสมาธิปัญญาเลยมีแต่คิดถึงเรื่องของบุญบางสังส่วนวันนี้จะมีกิจนิมนต์ให้ไปสวดที่ไหนวันนี้จะมีสังฆทานที่ไหนมีการบังสกุลที่ไหนงั่น คือจิตใจของผู้ที่ไม่ได้มาบวชเพื่อขัดเกลากิเลสตัณหาแต่มาบวชเพื่อสะสมกิเลสตัณหาจนทำให้ชาวบ้านศรัทธาญาโธนี้เอือมละอาพูดอย่างไรก็ยังทำเป็นหูหนวกทำเป็นไม่สนใจใช้ความดื้อด้านเป็นเครื่องมือจนกว่าจะต้อง ถูกมาตรการแรงๆถึงจะถึงจะยอมถ้าพูดกันดีๆแบบผู้ประเสริฐพูดกันด้วยเหตุด้วยผลนี้ส่วนมากพวกโจรนี้จะไม่ฟังไม่กลัวพวกโจรนี้จะกลั ว, ว่าต้องเจอไม้หน้าสีหรือลูกกระสุนเท้งนั้นเขาถึงจะกลัวถ้าคนที่มีฮีโอตปะ คนที่มีจิตใจสูงพอใครพูดใครเตือนนิดหน่อยเท่านั้นก็จะรีบแก้ไขทันทีเพราะเขากลัวบาปเขากลัวจะต้องไปตกนรกเหมือนนิทานที่มีในปรากฏในพระไตรปิฎกว่ามีคนเขาไปนรกแล้วพอดีก่อนจะเข้าประตูนรกเห็นมีกองข้าวเหลอออเอเืองอยู่กองวาเลังอยู่ เขาก็เลยถามโยมบาบาลว่าทำไมถึงเอาผ้าเหลืองมากองอยู่ตรงนี้เขาก็เล่าว่าเขาก็ตอบว่าเป็นพวกที่บวชเป็นพระแล้วไปทำทุกสิงไปไม่ไปทาบาปทากรรมเวลาจะต้องมาใช้กันที่นรกเขาก็ต้องให้ปลดผ้าเหมือนก่อนเพราะเขามีความเคารพในผ้าเหลืองเขาไม่ต้องการที่จะ เอาผ้าเหลืองต้องไปมัวหมอกับคนที่ปฏิบัติไม่ดีปฏิบัติไม่ชอบทั้งหลายต้องแยกออกจากกันก่อนอังนั้นเวลาเราดูคนดูพระขอให้เราดูที่พฤติกรรมเป็นหลักอย่าไปดูที่เครื่องแบบดูที่การโกนสีษัะหรือการเลื่องเหลืองผมเหลืองอันนี้ไม่ได้เป็นเครื่องรับประกันความเป็นพระ เคื่อลอกก า, การความเป็นพระก็คือการมีกายวาจาใจที่สำรวมที่สะอาดไม่ทำผิดทำผิดวินยัยจิตใจม่หิริโอตปะไม่กล้ากระทำบาสนี่คือการดูพระผู้เจ้า ส, สอนให้ดูอยู่ที่สีประการด้วยกันคือสุปฏิปันโนคือปฏิบัติดี คือชูปฏิปปโนปฏิบัติตรงยายะสามิปฏิปปโนปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์ปฏิบัติเพื่อการขัดเกลอกิเลสตัณหาและสามีจิปฏิปปโนคือปฏิบัติถูกต้องตามหลักธรรมหลักวินัยนี่คือหลักที่จะดูพระท่านให้ดูที่สข้อนี้ ไม่ได้ให้ดูที่ผ้าเหลืองหรือดูที่พันสาว่าบวชมานานแล้วหรื อ, อยังบวชมานานแต่ถ้าไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็เป็นเหมือนกับทัพพีในหม้อกแกงทัพพีนี้จะไม่รู้ว่ารสชาติของแกงนั้นเป็นอย่างไรถ้าเป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจะเป็นเหมือนลิ้นกับแกง เวลาสัมผัสกับธรรมพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็จะมีความรับรู้ทันทีส่งสอนให้ปฏิบัติอย่างไรก็จะปฏิบัติตามส่งห้ามไม่ไม่ให้ปฏิบัติอย่างไรก็ไม่ก็จะไม่ปฏิบัติเชื่อในหลักธรรมหลักวินัยปฏิบัติไม่ได้มาปฏิบัติเพื่อมาสะสม ลาบยศต่างๆไม่ได้มาสะสมกับข้าวกับปลาอาหารปัจจัยสี่แต่มาขัดเรากิเลสตัณหาด้วยหลักธรรมคือความมากน้อยสันโดษให้เอาเพียงแต่พอประมาณพอต่อความต้องการของตนก็พอแล้วแล้วก็ถ้ามีไม่มากก็ให้ยินดี ตามมีตามเกิดจะไม่บน่นไม่ว่าจะไม่เดือดร้อนกับการอดอยากขาดแคลนเพราะถือว่าเป็นการทดสอบจิตใจว่าจะมีคุณธร ร, รมมากน้อยเพียงไรถ้ามีคุณธรรมสูงแม้จะต้องอดตายก็จะไม่เดือดร้อนพระพุทธเจ้าสองอดพระกยาหารถึง49วัน พระ อ, องค์ก็ยังไม่เดือดร้อน น, นี่คือพระที่แท้จริงต้องดูที่พระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างพระพุทธเจ้าท่านสะสมอะไรบ้างรู้ป่ะมิว่าท่านมีแต่ให้มีแต่ความเมตตากรุณามีแต่ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่พระพุทธเจ้าจึงเป็นสารณะ เป็นที่พึ่งของสัตว์โลกทั้งหลายพระอริพระอระอิยสงสารวกพระอรหลันตาสสาวกทั้งหลายก็เป็นที่พึ่งของสัตว์โลกทั้งหลายเพราะท่านเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติด้วยความสวยงามทำให้เป็นเยี่ยงอย่างที่ดีต่อบุคคลทั้งหลายที่ปรารถนาที่จะเป็นผู้ประเสริฐ ต้องประเสริฐด้วยการกระทันทางกายทางวาจาและทางใจทางกายก็ต้องเรียบร้อยไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดธมดเทสไม่เสพสุรายาเมาและอบายามุขต่างๆเช่นเด่นการพนันเที่ยวกลางคืนครบคนชั่วเป็นมิตร และมีความเกียรติความเพราะการกระทาเหล่านี้เป็นเหตุที่จะทำให้เสื่อมลงไปไม่ได้ทำให้เจริญขึ้นมาจิตใจจากการเป็นมนุษย์ถ้าได้ทำบาปแล้วจิตใจก็จะเสื่อมลงไปเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นนรกบ้างถ้าอยากจะให้จิตใจเจริญจิตใจสูงจิตใจก็ต้องมี มีมีทานคือมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความเมตตากรุณาอย่างที่ญาติโยมได้มากระทํนกันในวันนี้ญาติโยมได้เอาเข้าวของต่างๆมาถวายพระนี่แหละคือการสร้างความเจริญผู้ที่มีความโลภอยากจะได้ข้าวของที่ญาติโยมถวายมากๆ ผู้นั้นแหลเป็นผู้ที่กําลังจะกลายเป็นเปรตไปเปรตนี้ก็คือผู้ที่ทําบาดด้วยความโลภกำนังในสาลานี้บางทีเราอาจจะมีทั้งเทวดาและมีทั้งเปรตแล้วแต่ว่าใครจะทําอะไรอย่างไรถ้าให้ก็เป็นเทวดาถ้าโลภมาก แย่งเอาของคนนั้นของคนนี้ไปอย่างนั้นก็เป็นเปรดไปร่างกายเป็นพระเป็นข้าเป็นญาติโยมแต่ใจไม่ได้เป็นพระเป็นญาติโยมแล้วใจเป็นเปรตไปเป็นเทวดาไปญาติโยมไม่ได้บวชกลับได้เป็นเทวดาพระที่บวชกลับต้องกลายเป็นเปรตไปโดยอํานาจของความไม่รู้ความหลงและความโลภที่อยากจะได้ ของมากๆที่ศรัทธ า, ายาบโยนนามาถวายแต่หารู้ไม่ว่าตนเองกำลังกลายเป็นเปลยไปบวชการบวชก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรบวชไปก็เสียข้าวสุขของชาวบ้านไปเปล่าๆเพราะไม่สามารถเป็นสวณะเป็นที่เพึ่นให้กับเขาได้ไม่ได้เป็นตัวอย่างที่ดีที่มาให้เขาเอาเป็นแบบฉบับ ถ้าเขาเห็นแบบนี้เขาก็ไม่รู้ว่าจะมาวัดทำไมเพราะเขาเห็นอยู่ตอนอยู่ที่บ้านเขาอยู่ตลอดเวลาแล้วที่เขามาวัดนี้ เ, เขาอยากจะเห็นสิ่งที่เจริญหูเจริญตาเห็นแล้วมีความอิ่มมีความสุขเห็นแล้วมีศรัทธามีวิริยะที่อยากจะปฏิบัติตา่างแต่พอมาเห็นแบบนี้แล้วก็เลยทาให้เบื่อหนายทําให้เสื่อมศรัทธาไป ศาสนาจะเสริมโนเจอเรนจึงอยู่ที่การประพฤติปฏิบัติของผู้ที่มาบวชเพราะผู้ที่มาบวชถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็จะสร้างศรัทธาให้แก่ผู้ที่ได้เข้ามาสัมผัสรับรู้ทำให้เขามีกำลังใจที่อยากจะทำบุญมากขึ้นอยากจะรักษาศีลอยากจะปฏิบัติธรรมแต่ถ้าเข้ามาเห็นการปฏิบัติที่ไม่สวยงาม าการปฏิบัติที่ไม่น่าดูเขาก็จะไม่เกิดศรัทธาจะไม่อยากมาทำบุญจะไม่อยากมารักษาศีลไม่อยากมาปฏิบัติธรรมเมื่อไม่มีญาติโยมมาก็จะอยู่กันอย่างลยากลำบากพออยู่ยากลำบากไม่อิ่มน้ำไม่มีไม่มีลาบสักการะก็ต้องลาสิขาันไปาศาสนาก็จะ พนเข้าไปเพราะผู้ที่จะมาสืบทอดศาสานาได้นะั้นก็คือนักบวชนี่เองส่วนญาติโยมนี้เป็นผู้สนับสนุนนักบวชให้ได้ศึกษาได้ปฏิบัติส่วนนักบวชก็มีหน้าที่ศึกษาปฏิบัติตอนให้เป็นที่หน้าเคารพบูชาแล้วก็นำเอาสิ่งที่ตนเองได้ศึกษาได้รู้ได้เห็นเอามาสั่งสอน ให้แก่ญาติโยมคารวะที่ไม่มีเวลาพอที่จะศึกษาและปฏิบัติด้วยตนเองได้ mm hmm. ก็ต้องพึ่งพาอาศัยพึ่งพาอาศัยพระที่ศึกษาและปฏิบัติม า, ส, มาสั่งสอนมาบอกทาง mm hmm. นี่คือความสัมพันธ์ระหว่างนัก mm hmm. บ, บวชกับคารวะญาติโยม คารวะญาติโยมก็มีหน้าที่ที่จะสนับส น, นุนพระที่ดีคือพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบส่วนนักบวชก็ต้องทําตนเองให้เป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพื่อที่จะได้เป็นที่พึ่งทางจิตใจให้แก่ญาติโยมดยงังนั้นจึงมีการมีธรรมเนียมที่เวลาทําบุญจึงมักยำเป็นจะต้องเลือกทําบุญ กับพระที่ดีนั่นเองถ้าพระดีก็เป็นเหมือนเนื้อนาบุญเป็นนนาที่มีดินดีน้ำดีเวลาเพาะปลูกข้าวแล้วจะได้ผลเต็มร้อย<ม>แต่ถ้าไปไปทำนาที่ดินไม่ดีน้าไม่ดี<ม>เวลาเก็บเกี่ยวก็จะได้ไม่เต็มร้อยได้มากได้น้อยก็ขึ้นอยู่กับเนื้อนาบุญนั้น ถ้าเนื้อนาบุญนั้นเป็นเนื้อนาบุญเต็มร้อยก็จะได้ผลบุญเต็มร้อยถ้าเนื้อนาบุญนั้นไม่ได้ไม่ได้เป็นเนื้อบุญนาบุญเต็มร้อยก็จะไม่ได้ผลเต็มร้อยถ้าไม่ได้เป็นเนื้อนาบุญเลยก็จะไม่ได้ผลเลยการทําบุญกับพระที่เป็นพระทุศีนหรือพระที่ปฏิบัติแบบโจรนี่ก็เหมือนกับสนับสนุนโจร ให้มาทำลายศาสนาไม่ได้เป็นการสนับสนุนให้ศาสนาจเจริญรุ่งเรืองดังนั้นญาติโยมเวลาทำดนบางครั้งก็จำเป็นจะต้องสังเกตดูบ้างว่ากำลังใส่บาตรให้กับพระหรือกำลังใส่บาตรให้กับโจรถ้าใส่บาตรให้กับโจรก็เท่ากับสนับสนุนโจรให้ไปปล้นไปจี้ให้ไปสร้างความเสื่อมเสียต่อไปถ้าสนับ ถ้าสนับสนุนกับพระก็จะสนับสนุนให้พระไปรักษาศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าให้เป็นที่พึ่งต่อสัตว์โลกต่อไปส่วนหนึ่งก็อยู่ที่การกระทำของศรัทธาญาติโยมและการที่ศรัทธาญาติโยมจะรู้ว่าใครเป็นพระใครเป็นโจรก็จาเป็นจะต้องศึกษาธรมรมวินัยถึงจะรู้ ต้องศึกษาพุทธประวัติศึกษาพระประวัติของพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายศึกษาประวัติของครูบาอาจารย์ที่เป็นพระสุปฏิปันโนทั้งหลายถึงจะได้รู้ว่าเพศแท้กับเพศปลอกนั้นเป็นอย่างไรเราจะได้ไม่ไปซื้อเพศปลอนมาแล้วจะมาเสี ย, จยใจภายหลังว่าทำบุญแล้วไม่ได้บุญทำบุญแล้วแทนที่จะทำให้ศาสนาจเจริญรุ่รงเรือง กับทำให้ศาสนาเสือ่อมถดไปเพราะว่าเราไม่ได้ศึกษาพราะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราไม่รู้จักแยกแยะว่าพระกับโจร น, นั้นเป็นอย่างไรดังนั้นในวันนี้เป็นวันประเสริฐประเสริฐเพราะว่าญาติโยมได้เข้ามาศึกษาพระธรรมวินยัยเมื่อศึกษาแล้วก็จะเกิดปัญญาทำให้มีความรู้ว่า อะไรดีอะไรไม่ดีอะไรถูกอะไรไม่ถูกอะไรควรอะไรไม่ควรเมารู้แล้วเราได้ปฏิบัติตามก็จะเกิดผลดีขึ้นมาทั้งกับตนเองและแก่ผู้อื่นทำให้ตนเองเป็นผู้ประเสริฐและทำให้ผู้อื่นเป็นผู้ประเสริฐตามมาด้วยสังคมก็จะอยู่กันอย่างน่มเย็นเป็นสุข มีแต่ความสุขและมีแต่ความเจริญจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดในวันพระในวันประเสริฐนี้เพื่อมาสร้างกายวาจาใจของตนให้ประเสริฐด้วยการฟังเทศฟังธรรมด้วยการทำบุญด้วยการรักษาศรรีลและด้วยการปฏิบัติธรรมเพื่อประโยชน์สุขและความเจริญที่จะตามมาต่อไป